ที่ได้ฟังอาจารย์สันติเบลีนตร์คลาสสิกช่วงแบบนี้ก็วนไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นการแสดงดนตรีเหมือนกันนะแต่ว่ามีอะไรแตกต่างกันเยอะเลยเหมือนกันอย่างเดียวคือเป็นการแสดงดนตรีแล้วก็เป็นการแสดงสดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะเพิ่งได้อ่านเมื่ อ, อไม่เกี่ยววันนี้พอดีการแสดงดนตรีนั้นเป็นการเดี่ยวเป็นโน แบบแจสเมื่อสี่สิบปีที่แล้วที่ประเทศเยอรมันถ้าเป็นตอนนี้ก็ชื่อคีธจารเร็ก็คงจะเป็นนักดนตรีระดับโลกนะเพราะว่าตอนที่เขาไปแสดงสดที่โ อ, โอเปราา่าเฮหรือว่าโรงโอเปร่าที่โคโลนเน่ประเทศเยอรมันตัวนี้ก็ขายหมดเลยมีคนเกือบพันห้าร้อยคน มานั่งฟังตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าก่อนที่จะได้เวลาแสดงสดเนี่ย <c oughs> คีดกับโปรดิวเซอร์ก็ไปดูเป็นโนตอนบ่ายการแสดงสดนี่จะจัดขึ้นตอนคำ่ำที่เราเป็นเลดไนคอนเสิร์ตดึกเลย ตอนตายก็ไปดูสถานที่แล้วก็ไปดูไปซ้อมไปทดลองเล่นเปีนโนเพราะว่าเปีนโนไม่มีปัญหาก่อนที่เขาจะเดินทางมาเขาก็เรียกร้องให้พูดจัดเนี่ยจัดหา เปียโนนะพิเศษขึ้นะชื่อว่าโบสซนดอร์เฟอร์แต่ตามมาก็ไม่เคยเห็นเปียโนแบบนี้เหมือนกันนะแต่เขาว่าใหญ่มากนะแล้วก็เสียงดีแล้วก็มันเนื่องจากมันเป็นเปียโนตัวใหญ่มันก็เลยดังกระหึม่มไปทั่วทั้งห้องประชุมโดยที่ไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้แต่ไปถึงแล้วบอกกัว่า เกิดมีความผิดพลาดทางเทคนิคโอเปร่าฮอลนี่เขาก็ไปจัดหาเครื่องเนเป็นโนซึ่งมันได้เรียกว่ามีปัญหาก็คือว่าเสียงมันเพีย้ยนแล้วก็ แป้นกดเนี่ยสีดงตรงกลางเนี่ยหลายตัวเลยมันใช้ไม่ได้ไอแป้นที่ใช้ถีบนะ่ะใช้เท้าถีบไม่รู้ว่าไหล่ไม่รู้ว่าเรียกว่าไหลนะ่น่ะแป้นที่ใช้เท้าเหยียบอ่มันก็ฝืดนะและแถมเป็นโลกระตนเล็กคีก็บอกว่าอย่างนี้เล่นไม่ได้ขอยกเลิกการแสดงเขาก็เลย โดยกลับไปเเพราะว่านักดนตรตีระดับโลกแบบเข้านี่มันต้องเล่นกับเปียนโนทีท่พิเศษ จ, จริงๆถ้ามันเป็นดนตรีแจส๊สเลยนะมันไม่ต้องใช้โน้ตไม่มีโน้ตเรียกว่าด้นอย่างเดียวเลยถ้าได้เปียนโนสัป ร, รังเคเนี่ยไม่เล่นดีกว่านะเล่นก็เสียคนนะก็ก็เลิกเลยบอกขอไม่เล่นพูดจัดเนี่ยนะ ซึ่งเป็นเด็กสาวอายุสิบเจ็ดนะแกก็ฝ่ายฟันนั้นที่จะให้คีดจาริสเนี่ยมาแสดงที่เยอรมันเนี่ยโอแกผิดหวังมากแกก็ไปร้องขอนะขอให้คีดเนมาแสดงแกกแกก็พยทยาเต็มที่แล้วพยากให้เพื่อนเนี่ยขนอ่เปียโนโบแบบโบเซนดอร์เฟอร์เนี่ยนะจากที่อื่นมาแต่วันนั้นฝนตกหนัก ผู้เชี่ยวชาญด้านเป็ยโนบอกว่าขนมาไม่ได้หลอกขนตกนักอันนี้เป็นโพัาางก็พยายามหาคนมาซ่อมมาซ่อมเปียโนนั่นแต่ก็ซ่อมไม่ค่อยได้เพราะว่าเสียงก็ยังแหลมอยู่เสียงสูงเสียงสูงที่มันแหลมมากแล้วกับเสียงเบสมันก็มันก็ไม่ชัดคือซ่อมยังไงมันก็มันก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่เนี่ยคีก็เลย ตัดสินใจไม่เล่นแต่ว่าโปรโมเตอร์เนี่ยเด็กสาวคนนี้นะแกก็ไปร้องขอนะทีน่ยอยู่ในรถละเตรียมจะออกรถแต่ว่าวีราเนี่ยวีรานี่ก็คือโปรโมเตอร์เนี่ยก็ไปยืนร้องขอวิงวอนกลางสายฝนขี้ใจอ่อนนะออกเล่นก็ได้แต่ขอยหรบบอกขอบอกนะว่าเนี่ยเล่นให้คุณคนเดียวนะ ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่เล่นะเพราะว่าไปเล่นงานแบบนี้นี่มันมันเสี่ยงมากที่จะเอาอนาคตไปทิ้งไว้ถ้าพอตกค่ํานี้เขาก็ไปเขาก็เดินะไปขึ้นไปที่เวทีแล้วก็เล่นทางที่รู้ว่าเป็นโนมนสัพประรังเขมาแต่บอกว่าคนที่เขาผู้สังเกตการทดลอาพอเล่นได้เมสไลน์ในคนก็รู้สึกเลยว่าเสียงเพลงมันพิเศษมาก แล้วเาก็เล่นไปจนกระทั่งจนตลอดรายการนะก็คงเป็นชั่วโมงกันนะคนก็ชื่นชมนะตบมือนะด้วยความประทับใจนะผลงานของคีทมากแล้วก็อัลบั้มที่เขาอัลบั้มที่อาัด จ, จากไอการาการแสดงสดครั้งนั้นเนี่ยรากว่าเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดนะ ในบรรดาที่เป็นการโซโล่คอนเสิร์ตการโซโล่ด้วยเป็นโนนะเป็นการโซโล่ที่ทำยอดขายสูงที่สุดในโลกนะสามจุดห้าล้านแผ่นก็ยังไม่ทราบมีการชุมนามสถิติหีือยังนะพราะนี่ก็สี่สิปีมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะคือการที่การที่นักแสดงเป็นโน ร, ระดับโลกเนี่ยนะต้องมาเจอกับไอ คือนนพิสัพรังคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครนึกฝันจะเจอนะแล้วก็คิดเขาก็ไม่อยากจะเจอเขาก็พยายามเลี่ยงแต่สุดท้ายเมื่อเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถจะทำให้มันดีวิเศษเยี่ยมยอไอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ตอนที่คิดไปแสดงเนี่ยเป็นเล่นกั บ, บดนตรีเครื่องนี้เนี่ยอเอปินโนเนี่ย mm hmm. เขก็พยายามเลี่ยงนะเสียงสูงเพราะว่าเปินโน่ตัวนี้เนี่ยเสียงสูงมันแหลมมากดัน mm ั hmm. ้นต้องหาทางเลี่ยงให้ได้ก็ mm hmm. าก็ไปเล่นโน้ตที่มันเป็นเสีย ง, งกลางขณะเดียวกันก็พยายามที่จะพยายามที่จะเล่นเสียงพยายามที่จะคีย์หรือว่ากดแป้นที่มันเป็นเสียง เบสเนี่ยแบบทีทีเลยนะเพื่อชดเชยกับการที่เครื่องเนี่ยมันไม่มีเสียงทุ่งเท่าไหร่แล้วก็เนืงจากเบนโนตัวมันเล็กเนี่ยเสียงมันไม่ตังไปทั้งห้องก็ต้องเล่นแรงๆพอเล่นแรงๆ เ, เ, เนี่ยกดแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเสียงที่พิเศษขึ้นมาคนฟังรู้สึกเหมือนกับว่าเข้าชาญนเดียวๆนะเสียงมันแปลกมาก อันนี้ก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนนะวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนข้อด้อยให้กลายเป็นจุดแข็งลองนึกภาพว่าถ้าคีดเนี่ยตอนที่ขึ้นไปสแสดงเนี่ยขึ้นไปเล่นเล่นสดเนี่ยเขานึกบทในใจว่าทําไมเครื่องดนตรีเป็นโนตัวที่มาสับปะลังเชแบบนี้ทําไมผู้จัดเนี่ยนะปล่อยปะละเลยขนาดนี้เขนะาก็บ่นตีโพยตีพายเนี่ย เขาคงเล่นได้ไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าตอนที่คีทเข้าขึ้นเวทีเนี่ยเขารู้เขาเขาคงทำในใจว่าอะไรจะเกิดก็เกิดนะแล้วก็พร้อมที่จ ะ, ะเล่นกับมันอย่างเต็มที่การบ่นการมวยวายที่มันเคยเกิดขึ้นกับเขาตอนบ่าย mm hmm. เขาก็วางมันลงแล้วก็ยอมรับนะสภาพที่เป็นข้อจากัดของเป็นน่ตัวนี้ แล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดวิกฤตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโอกาสได้นะบ่อยครั้งเมื่อเราอยอมรักสภาพความเป็นจริงหยุดบนหยุดบวยวาหยุดที่โพยที่พายแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดกับข้อจํากัดที่มีอยู่ก็คงไม่ต่างจากพ่อครัวหรือแม่ครัวที่เก่งนั้นนะ คนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงอาหารได้เก่งได้ดีก็เพราะว่ามันมีเครื่องครองอุปกรณ์ก็เพียบแต่บางครั้งบางคราวนเนี่ยต้องมาเจอกับอุปกรณ์ที่ไม่ครบถ้วนวัตถุ ด, ดิบก็ขาดขาดเกิ น, กนแต่พ่อคนแม่ควที่เก่งเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะปรุงอาหารให้อร่อยได้ให้เป็นที่ประทับใจของผู้คนได้ เพราะอะไรนะพราะเขายอมรับข้อจำกัดที่มีอยู่แล้วก็ไม่เอาแต่บน่นวอยแต่พยายามที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช้ความสามารถที่มีอยู่กับข้อจำกัดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดการยอมรับนะ การยารับ ก, กับสภาพความเป็นจริงเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามนะที่มันเป็นอุปสรรคไม่คาดคิดมาก่อนไมต้องเจอแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ยนถ้าเรารู้จักทำใจนะห ย, ยุดปวนวยวายยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็อยู่กับมันทำกับมันให้ดีที่สุด มันก็กลายเป็นามดีขึ้นมาได้นะจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์ของผู้คนนะรวมทั้งความล้มเหลวนะั้ผิดพลาดเนี่ยส่วนจะมาเกิดจากการที่ใจเนี่ยนะไม่สามารถยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ได้ใจที่บนนะวย่วายเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยนะบางทีแล้วบ า, างที่เราเตรียมมาดีนะ แต่บางทีก็ไปเจอข้อสอบที่มันยากมันหินถ้าเราเอาแต่บ่นวอยวายนะมันก็คงไม่สามารถทำข้อสอบนั้นะให้ดีขึ้นมาได้แต่เมื่อเราหยุดบนยอมรับสภาพที่เป็นทั้าที่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาเจอกับข้อสอบแบบนี้แต่พอเราตั้งสติและพยายามทาทาให้ดีที่สุดให้ความสามารถที่เรามีสิ่งที่เราตัดเตรียมมา มันก็สามารถจะไหลหลังทั้งครูจกกนกระทั่งทำให้เราทำข้อสอบนั้นได้ดีก็ได้เพราะพวกเราคงมีประสบการณ์แล้วนะเมื่อแต่ก็ตามที่ใจเราว่าวุ่นใจเราวิตกใจเราไม่พอใจกับหรือกังวลกับข้อสอบเนี่ยนะเตรียงตัวมาดีแค่ไหนนะมันก็ทำให้ดีอย่างที่ใจคิดไม่ได้ เจออะไรเนี่ยมันไม่สำคัญทาว่าใจเนี่ยเป็นอย่างไรเจอสิ่งที่แย่ไม่คาดคิดนะแต่ว่าวางใจถูกวางใจเป็นนะมันก็สามารถจะทำให้เกิดผลงานที่ดีออกมาและขณะเดียวกันก็ใจก็ไม่ถูกข์เลยอย่างที่บอกไว้แล้วนะความทุกของคนส่วนใหญ่เนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ใจเนี่ยมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ผับไสลังเกียดปฏิเสธและสิ่งที่เรารังไส์ผับใส์รังเกียจเนี่ยบางครั้งก็เป็นสิ่งเล็กน้อยนะแต่พอเราไม่ยอมรับมันลังเกียดมันผักใส์มันเนี่ยมันกลับสร้างปัญหาให้กับเรายิ่งกว่าสิ่งที่เรารังเกียจสิอย่งเช่นวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะมีสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ทาให้เจ็บป่วยอะไรเลย แต่พอยอมรับมันไม่ได้เนี่ยรังเกียจมันเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะบางคนเนี่ยถึงก็บอกเป็นวิกฤตในชีวิตเลยทีเดียวก็เคยสอบถามไวรุ่นอเมริกันนะจํานวนไม่น้อยหลายสิบเปอร์เซ็นบอกเนี่ยการมีสิวเนี่ยมันเป็นวิกฤตในชีวิตและแน่นอนนะเขาก็คงจะดูอย่างระทมทุกข์อะสิวเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเลยนะแต่พอใจยอมรับไม่ได้ ความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีสิ่งที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่เราลังเกียจสิ่งที่เราผลักไสเนี่ยมันมักจะสร้างทุกข์ให้เราน้อยกว่าอาการที่ผลักไสอาการที่ปฏิเสธลิงเนี่ยนะมันไม่ชอบกับปิดมันเกลียกับปิดมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเยมือมันไปถูกกระปิขึ้นมาคนอาจจะโยนอาหารยัดใส่กระปิเข้าไป แล้ก็ปิดใส่เข้าไปมันกินข้อนมีวแล้วโดนกระปินะที่ยัดไส้พอมือมันโดนกระปิหรือปามแล้วกระปิเนี่ยมันจะทนไม่ได้เลยนะมันจะพยายามที่จะเอามือในถู ก, กับกับหินเอามือถู ก, กับเปลือกไม้มันจะถูถู ถ, ถูจนกว่ากลิ่นจะหายกลิ่นกระปิถ้ากลิ่นไม่หายก็ยังถูอีกมันถูจนบางทีนิ้วถลอกนะ หรือว่าเป็นแผลถ้ากินยังไม่หมดมันก็ทุยจนแผลนี่เวอว่าเลือดไหลน่าสงสารมากสิ่งที่นา่าคิดคือว่าอะไรทำให้ลิงเลือดนหลอะไรทําให้ลิ ง, งมีแผลเวอวามันไม่ใช่กับปิดนะแต่คือความเกลียดกับปิดกระปิด <c oughs> ที่ไม่มีทางทําให้ลิงเนี่ยมีแผลเวอว่า ไ, ได้แต่ว่าความเกลียดกับปิดหลังห่างนะที่ทําให้ลิงเนี่ยมัน มีแผลเพราะเขาเกียจแล้วเขพยายามที่จะถูพยายามที่จะอ่านทางทำให้ก็ปิดออกไปหราตออกไปจากนิ้วจับมือถูถูถูถูถูกับหินถูกับพื้นถูกับไม้ถูกับลําต้นก็ปิดไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสําหรับลิงนะเท่ากับความกลัวกับปิดน้ำเสีวเหมือนกันน้ำสียก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่อันตราย หรือน่ากลัวเท่ากับความกลัวหรือความรังเกียจไม่ยอมรับสิวที่ที่ไม่เฉพาเสิวนะอย่างอื่นด้วยเสียงนะเสียงเสียงดังเนี่ยนะหลายคนเนี่ยบางทีเสียงก็ไม่ดังนะบางทีเป็นเสียงไพเราะโดยเฉพะเสียงวิงทนโทรศัพท์แต่ละคนพอได้ยินเนี่ก็จะหงดหงิดแล้วเวลาหงดหงิดเนี่ยนะก็ไปทอดเสียง แต่ที่จริงถ้ากลับมาดูใจก็จะพบว่าให้ความเงินมีความทุกมันเกิดจากความไม่ชอบเสียงต่างๆใจที่ไม่ชอบเสียงใจที่ไม่ยอมรับเสียงที่เกิดขึ้นตรงนี้ต่างหากที่เป็นที่มาขอางความถูกข์บงคนทุกข์บางค น, นเหมือนเหตุจนกรทั่งเอนะโวยวายบางทีก็ด่าเจ้าของโทรศัพท์ว่าทําไมไม่ปิดโทรศัพท์เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทั้งที่เสียงเนี่ย เราเพียงแค่ยอมรับมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์หรอกแต่จใจมันยอมรับไม่ได้แต่ด้วยเหตุผลอะก็แแต่เช่นอาจจะเพรว่ามันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่สถานที่ที่จะมีเสียงดังสถานที่แบบนี้เจ้าของโทรศัพท์ควรจะปิดเสียงไอเหตุผลที่มันเกดขึ้นมาเนี่ยมันรู้แลแต่เป็นตัวรองรับความหงุดหงิดความกระวนกระวายหรือ เ, เป็นตัวกระตุ้นให้ไม่พอใจมากขึ้น เสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ยอมรับเสียงนั้นเมื่อสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อชาสุพัทโทเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่เท่งกริฑตอนนั้นหลวงพ่อสุเมโธท่านยังเป็นพระนมอยู่ก็ร่วมคณะไปด้วยเจ้าภาพที่เป็นมูนนิธิของคนอังกฤษเนี่ยเขาก็จัดให้หลวงพ่อ ทำนักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดตรงข้าวิหารเนี่ยนะมันเป็นร้านดนตรีร้านผับเป็นผับเป็นบาร์กลางคืนเนี่ยที่จริงตอนเย็นเน่ยตั้งแต่เย็นถึงค่าเนี่ยก็จะมีการเล่นดนตรีร้องราทําเพลงกันสมัยนัดิสโ ก, ก้เริ่มเข้ามาแล้วเอเย็นวันหนึ่งเนี่ยขณะที่หลวงพ่อท่านพาคนนั่งสมาธิ เสียงินตรีมันดังเข้ามาถึงในวิหารที่พระระยงกาลังทำสมาธิอยูพ่พระหลายรูปอยหลายหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าเสียงมันกระทบดังไปถึงนะกระทบโพนะตรงข้าวหลวงพว่อช้าท่านนั่งสมาธิสงบเหมือนกัไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทำสมาธิเสร็จนะจอภาพเนี่ย ก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มาขอโทษขอโทษหลวงพ่อที่เสียงดนตรีมารบ ก, กวนหลวงพ่อชานตอบว่าโยมนไปคิดว่าเสียงดนตรีมรบ ก, กวนเราจริงๆเราต่างหาที่ไปรบ ก, กวนเสียงหลวงพ่อชานกำลัเตือนเราเนี่ยที่ทุกเนกี่ยเพราะวใจเราเนี่ยไปทะเลาะเบาแวงกับเสีย ง, ยงในั้นผู้ยาใหญ่ในใจเราเนี่ยยอมรับเสียงนั้นไม่ได้ พอยอมรับเสียงไม่ได้ใจก็ไปทะเลาะบอกเล้งกับเสียงไปผักผักสายเสียงนั้นตัวนั่งอยู่ตาก็หลับนะแต่ใจเนะี่ยมันเป็นผักใส่มาไปต่อสู้มาไปทะเลาะกับเสียงตรงนี้ต่างหาที่เป็นสายแห่งความทุกข์ไม่ใช่เสียงแต่ใจที่ไม่ชอบเสียงใจที่ไม่ยอมรับแต่ตอนที่ใจยอมรับนะั้นเสียงนั้นได้เนี่ยนะสงบเลยนะ เราลองสังเกตดูในเวลารถติดเนี่ยนะที่เราเหมึกหมัดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันแดงค้างนานแต่เป็นเพราะใจเราไม่ยอมรับกับสภาพที่รถมันติดไม่ยอมรับกับการที่สัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะมันไม่เปลี่ยนเป็นเขียวสักทีแต่ทัในทีที่ใจเรายอมรับได้นี่นะมันสงบเลยความทุกข์ในใจ เ, เกิดจากจิตที่มันดิ้น ดิ้นมีดิ้นสองอย่างนะดิ้นเพื่อจะเอากับดิ้นเพื่อจะหนีซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยอมรับเกิดจากการที่ผักใสมันที่จริงเนี่ยรถติดเนี่ยมันก็เสียเวลาอยู่แล้วนะถ้าคนฉลาดก็จะเสียแค่เวลานะแต่ว่าใจไม่เสียหรือสติไม่เสียแต่ถ้าไม่ฉลาดเมื่อไหร่นะมันก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งสติหรือว่าเสียความสุขความปกติสุข ในสาน ก, การ์แบบนี้เนี่ยในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันยอมรับมันความเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะคนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยในเมื่อความเจ็บป่วยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันป่วยการที่ตีโพยตีพายความทุกขของผู้ป่วยเนี่ยก้อนใหญ่หรือกว่าครึ่งนะมันเกิดจากใจ ที่ยอมรับสภาพความเจ็บัวดไม่ได้ทำไมต้องเป็ น, นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นบางทีก็อ้างเหตุผลว่าเนี่ยฉันทําความดีมามาทาสร้างบุญสร้างกุศลมาตลอดทำไมต้องเป็นชั้นบางคนก็เป็นทุกข์ยอมรับไม่ได้เพราะคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดไปแล้วมันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉัน้นคาว่าไม่น่าจะเนี่ยนะมันเป็นตัวการที่ทาให้คนเราทุกข์มากทีเดียว ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าเลยไม่น่ารถไม่น่ามาติดตเช้าวันอาทิตย์เลยนะหรือบางทีก็คิดว่าไม่มีเหตุผลนะที่จะต้องเกิดขึ้นจะต้องเกิดเหตุแบบนี้กับฉันมีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องสุขภาพมากเวลากินอาหารแกได้กินอาหารสุขภาพอาหารที่ไม่ใช่เป็นอาหารออร์แกนิกก็พยายามเลี่ยง อาหารแบบแมกโรไบโอติกชีวิตินิพกินเป็นประจำอาหารเสริมอะไรที่ช่ว ย, ยกำจัด ant ant, นะแอนตี้ออกซิเดนต์อะไรที่ช่วยที่เป็นอาหารหนึ่งที่มันช่วยกำจัดนุ่มืยสละเนะี ant ant, นะ่ยแอนตี้ออกซิเดนเนี่ยแกก็จะหาซื้อมาแพงแค่ไหนก็ซื้อ Omega Co Q 10, นะโอเมก้าสามโคคิลเทนสไปรูไลน่าเนี่ยแพงแค่ไหนก็เป็นเอามาถ้าได้พอ้อกกลังกายด้วยจอกกิง้งบริหารกายเป็นประจํา ด้วยความเชื่อว่าถ้าทำเช่นนี้แล้วก็จะทำให้สุขภาพดีไกลจากโรคมะเร็งแล้วก็โรคต่างๆและวันหนึ่งเนี่ยแก่็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งอายุแค่40กว่าแล้วนะเป็นมะเร็งแกทำใจไม่ได้นะทั้งทั้งเสียใจทั้งวิตกแล้วก็กลวัวเลยแล้วก็โกรธแค้นรู้สึกว่าถูกหลอกนะ เราศาสตร์แลสุขภาพดีดังเป็นบะเร็งไอ้คนกินเหล้าลสูบบุหรี่ดันไม่เป็นอะไรนึกตอวลาที่แกเจ็บป่วยนีกก่แกกลายเปี้ยวตลอดเลยไนงะวัยวายใส่หมอใส่โรงยาบาลจนกระทั่งเข้าโรงาบาจนกระทั่งระยะสุดท้ายเนี่ยแกก็ยังมีอาการกลายเปี้ยวไม่เลิกสุดท้ายก็ตายไม่สงบในความทุกข์ที่เกิดขึ้นแกไม่ใช่พเพราะมะเร็งนะแต่เป็นเข้อใจที่ยอมรับไม่ได้ ใจที่ยอมรับสภาพความเจ็บ ป, ปวดของตัวมไม่ได้เพราะว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันมันไม่น่าเกิดขึ้นกับชั้นท่านศาสตาาดุลสุขภาพดีมันเป็นไปนได้อย่างไรเหตุผลก็ดีนะแต่ว่าพอเอาเุผลมาใช้เพื่อทําให้ใจเรายอมรับความเป็นจริงไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นตัวสร้างความทุกข์หลายคนเนี่ยที่เขาเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย กับสามารถจะอยู่ได้อย่างปกติเพราะเขายอมรับยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ยอมรับมันเกิดขึ้นแล้วปวดป่วยการที่จะวยวาวายโพยตีพายแม้มันจะเจ็บปวดแค่ไหนเขก็ยอมรับความเจ็บปวดนั้นได้พอเห็นว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือมองมันเป็นธรรมดาแล้าวนเราเนี่ยไม่อยากจะเจอสิ่งที่เป็นเรื่องรบเรื่องร้ายแต่เมื่อเจอแล้วเนี่ย สิ่งที่จะช่วยเราได้เป็นอย่างแรกคือการยอมรับพอยอมรับแล้วเนี่ยนะให้ความทุกข์ใจก็จะลดลงความทุกข์ที่มีอยู่ก็เป็นแค่ความทุกข์ที่อยู่นอกตัวความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนอกตัวหรือยังมากก็เกิดขึกเกิดขึ้นกักายนะแต่ว่าไม่กระเทือนถึงใจอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์เนี่ยนะถ้ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะกับชีวิตที่อินเดียเมื่อสมัยที่ไปเรียนปริญญาโทเอกที่นั่น สถานที่เป็นพระแล้วก็มีความรู้สึกฝังใจนะกับหลายอย่างที่เป็นอินเดียแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยท่านเกิดความรู้สึกสาซาบซึ้งขอบคุณนะทุกในความเป็นอินเดียเพราะว่าท่นานได้พบว่าประสบการณ์ที่เลวร้วายของท่านเนี่ยที่อินเดียเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันมีคุณค่ามากต่อต่อตัวท่านหลังจากที่ ได้เดินเท้าเปล่าเนี่ยจากเชียงใหม่ไปสมุยบ้านเกิดนะตรวจตรวหนังสือเรื่องสุ่ิสารภาพเดินสุ่ิสรภาพนี่พูดไปแล้วในเมื่อสองวันก่อนตอนหลังก็มีคนชวนท่านไปอินเดียกลับไปอินเดียท่านยินดีเลยเนะอินเดียเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาไปเนี่ยวิตกมากรือกังวลมากไปแล้วก็หลายคนก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าเจอหลายจริงหลายอย่าง มันทําให้ทุกข์ใจอาหารที่ไม่อร่อยกวนอุบายเละกระเทของคนอินเดียสารพัดแต่อาจารย์ประมวลเนี่ยไปครั้งหลังหลังจากการไปครั้งนั้นเนี่ยท่านไปเพื่อจะไปขอบคุณอินเดียและก่อนไปท่านก็คล้ายๆเป็นตั้งปณิธานหรือทิฏฐานในใจว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่เทวดาประทานให้ แล้วพวกเราไปอินเดียครับนั้นมีความสุขมากเลยทั้งที่เจอหลายสิ่งหลายอย่างเหมือ น, นที่พวกเราที่ไปอเดียเคยเจอเจอเจอโกลนุบายคนอินเดียนะเจอความน่ารังเกียจในบางเรื่องเช่นบางทีซื้อตัว๋วซื้อตั๋วชั้นสองนั่งรถไฟก็มีคานึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กนะขึ้นรถนะถ้าถามยากจนท่านก็เถอบให้นั่ง ผมคอินเดียไม่พอใจมากนะพ่อผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นวันนัดจันทานพอใจประมวลก็เถื่อนเที่ยเขานั่งเนี่ยเขาก็เลยไล่จานประมวลออกไปไปนั่งกับพืชนนะท่านบอกนั่งกับพื้นก็นั่งนะเพราะว่าตั้งปณิธานไวละจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียก็นั่งกับพื้นกับผู้หญิงแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยก็นั่งแบบสบายใจนะทั้งที่ซื้อตัว๋วนะชั้นสองมานะแต่ก็ อย่างที่เมื่อตั้งปฏิธาเไว้แล้วว่าจะยอมรับที่อย่างที่เป็นของอินเดียก็เขาไล่ให้เราไปนั่งบนพื้นเราก็นั่งแล้วก็ก็มีความสุขดีเราก็ได้เจอเหตุการณ์ดีๆในในช่วงนั้นในวันนั้นด้วยแต่ว่าก็คงไม่ลายฟังแล้วพอจะยืดยาวที่อยากจะเน้นคือว่าเนี่ยเวลาเรามีความทุกข์ใจเนี่ยนะให้ลองดูแจเรว่าเนี่ยมันเกิดขึ้น จากใจที่ยอมไม่ยอมรับใจที่ผักใสใจที่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือค่าว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในเมื่อเราต้องเจอสิ่งที่แย่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะซ้ําเติมตัวเองด้วยการปล่อยให้ใจเนี่ยนะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะผักใสเพราะไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องฝึกนะฝึกที่จะยอมรับนะกับสภาพที่ เราไม่คาดคิดหรือว่าไม่ประสงค์จะเจอโคชิตเราเนี่ยนะมันเอาตั้งเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดแล้วก็เป็นสิ่งแย่ๆด้วยบางบางครั้งเราหนีได้แต่บางครั้งเราก็หนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำใจอย่างเดียวแต่ทำใจในที่เนี้ไม่ได้ไหมายความว่ายอมรับเท่านั้นนะแต่ปมายถึงการทำให้มันดีที่สุดอย่างวันนี้เนี่ยนะเราจะ ธรรมยดาตาเนี่ยมาเป็นโอกาสที่จะฝึกทําใจได้ดีเนะโดยปฏิบัตเรื่องการยอมรับทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าเราและวันนี้เนี่ยก็เป็นการเดินทางที่ไกลนะไกลที่สุดนะในการเดินธรรมยด า, าตาครั้งนี้จะเป็นรองก็แต่วันที่ห้าทีนี้เราจะเดินยี่สิบกว่ากิโลที่จริงถึงจะแม้จะเดินสั้นกว่านี้เนี่ยนะแล้วก็ต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่อยากเจอ แดดร้อนลมหนาวทางที่ไกลอาหารที่ไม่ถูกปากห้องน้ำที่อาจจะไม่สะอาดหรือว่าไม่เพียงพอต้องเข้าคิวรอชีวิตประจำวันเราคงไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้แต่เมื่อต้องเจอแล้วเนี่ยนะให้มองว่าเนี่ยมันคือแบบฝึกหัดที่จะสอนเนียเรารู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าวันนี้เนี่ยก็จะเจอหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เราไม่เคยเจอเจอหรือว่าเคยเจอเจอมาแล้วแต่อาจจะไม่มากเท่ากับสิ่งที่เราจะได้เจอในวันนี้วันนี้คงจะเหนื่อยกายมากนะแต่ว่าเหนื่อยกายอย่างเดียวก็พอแรงแล้วนะอย่าทำให้ใจทุกข์ด้วยในเมื่อเราต้องเหนื่อยกายเนี่ยเราก็ไม่ควรจะซ้ำเติมตัวเองนะด้วยการทำให้ใจเป็นทุกข์ เส้นทางที่เราจะได้พบนะตลอดนะธรรมญาตรานี่ยนะมันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ยากลํบาบากแต่ถ้าเราบน่นถ้าเราโวยวายปีโพยตีพายเนี่ยมันก็จะเป็นการทํำลายตัวเองเป็นการซ้ําเติมตัวเองลองฝึกใจนะยอมรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นยอมรับนี่ไม่ได้แปลว่ายอมจำนวนนะเช่นเมื่อเจ็บป่วยเนี่ย เราก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้ว่วยการที่จะตีพยตีพายแต่ว่าเราก็ยังคงเดี่ยวยารักษาตัวเองถ้ารักษาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ไปหามหมอไม่ใช่ปล่อยให้มันลุกลามแต่ตลอดเวลา <c oughs> เราก็ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมอก็ทำเต็มที่แล้วยาที่เขาให้มันก็เป็นยาที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยับยั้งโรค มันไม่ได้สกัดกัน้นก้อนมนเล็งได้เราก็ยอมลบเพราะนั่นคือสิ่งที่ดีสุดที่เราจะทำได้เพราะยิ่งบน่นวายตื่นโทีพายหรือวิตกกังวลโมโหโกรธาก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองเข้าไปใหญ่การทำใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะมากๆในสมัยาตราแต่ทำใจนี่ไม่ได้แปลว่ายอมรับเท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงว่าทาให้ดีที่สุดอย่างคิดเจริจเนี่ยนะ ก, ก็ยอมรับนะเปีย โ, โนสับประรังเคแต่ว่าแกก็พยายามที่จะใช้ทักษะประสบการณ์ที่มีเนี่ยนะ <c oughs> เพื่อรับมือเพื่อจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเคยเล่นแบบเดิมไม่ได้ก็เล่นแบบใหม่ <c oughs> กดให้มันทีทีทีซ้ำซ้ำๆ้ำซ้กันนะเพื่อจะไดเ้เสียงมันกังวลมากขึ้นหรือว่ากดให้มันแรงมากขึ้นมันจะได้ดังกระดึ้งหรือว่า เล่นเสียงสูงเลยก็เล่นเสียงกลางเสียงต่ำไปอันนี้คือการอความหมายหลัของการทําใจเลยนะคือว่าทําให้ดีที่สุดเอาความรู้เอาความสามารถที่มีอย่างเราเจอเนี่ยนะนอกจากทําใจยอมรับมันแล้วก็ธรรมะที่เรามีธรรมะที่เราได้เรียนมาเมืเ่อจะเป็นขันติธรรมการใช้สติการใช้สมาธิทั้งหมดนี้เนี่ยนะเราก็ ควรจ ะ, ะระดมออกมาใชนะ้เพื่อทำให้เรามีเรื่องมีแรงเดินไปถึงจุดหมายซึ่งไม่รู้ว่าจะค่ำหรือเปล่าแต่ว่าจะเช้าจะไม่ว่าจะเย็นหรือค่ำ้วก็ก็รับแต่เห็นปัจจัยนะไ ม, นไม่โวนไม่โวยวายฝึกทำใจอย่างนี้แหละแล้วเราจะพบว่ามันจะเป็นวิชาที่จะช่วยเราได้มากที่ทำให้เราสามารถจะรับมือในสิ่งแย่ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในวันข้างหน้าได้เรามาฝึกใจนะฝึกตนตั้งแต่วันนี้อนะย่างที่ว่านะเจออะไรนะก็ไม่สำคับว่าเราใจเราเป็นอย่างไรใจเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะที่จะทำให้เราก้าวข้ามสิ่งหลายๆที่เราเจอเจอไดนะ้ชาวนี้ก็พบกับท่านี้น ะ, ะกลับาพร้อมกัน